อาทิตย์ที่เกันยารย่อยยน๒๕๔๐การบรรยายอภิสมัยสังยุตพระติจตสมุปปาทพระอาจารย์สดุดโพธิศัพพะพระคุณเจ้าที่รบท่านสาธุชนทั้งหลายการสรุปใจความของพระสูตรในหมวดของนิทานสังยุตซึ่งเนื้อหา กล่าวถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราได้สรุปกันมาแล้วห้าสิบสูตรครับยังใช้เอกสารชุดที่แจกคราวที่แล้วสำหรับในครั้งนี้จะสรุปพระสูตรในวรรคที่หกที่มีชื่อว่าทุกขวรรคแปลว่าหมวดที่กล่าวถึงความทุกข์คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับความทุกข์มีทั้งหมดสิบสูตรครับสูตรที่ หนึ่งหรือห้าเป็นสูตรที่ห้าสิบเอ็ดของประสูตรโดยลำดับมีชื่อว่าปริวิมังสนสูตรคําว่าวิมังสาเนี่ยก็แปลว่าการพิจารณาปริแปลว่ารอบจะเรียก ว, กว่าวิมังสาหรือปริวิมังษาก็เป็นอันเดียวกันนะครับ ปริวิมณะสูตรแปลว่าการเพ่งพิจารณาโดยความก็คือการเพ่งพิจารณาเพื่อความพ้นทุกพระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้ที่ประเชตวันแก่ภิกษุทั้งหลายได้ตรัสว่าผู้เพ่งพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกย่อมพิจารณาทุกคือปฏิจจสมุปบาทสิบสองคือปฏิจจสมุปบาทสิบสองเนี่ย เวลาท่านเรียกสั้นๆท่านก็เรียกว่าทุกเหมือนกันเหมือนอย่างในอาิยสัตว์สี่เริ่มโดยทุก์ปฏิจจ์แต่ละตัวแต่ละองค์นี่ก็เป็นทุกเริ่มในที่นี้ก็เริ่มจากชรามรณะเป็นทุกเลื่อยไปจนกระทั่งถึงอวิชชาได้แสดงทั้งส่วนเกิดเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมคือใครที่ พิจารณาคําว่าพิจารณาตรเนี้ยท่านมุ่งหมายถึงพิจารณาโดยในของวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่กินตายยานแต่เป็นภาวนายานเวลาแปลเป็นไทยแล้วก็ว่าพิจารณาเหมือนคิดเอาความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการพิจารณาเพื่อความพินทุกจากาชารามรณะย้อนขึ้นไป วัชรามรณะเป็นทุกข์ชรามรณะเกิดจากอะไรเกิดจากชาติแล้วก็จะดับชรามรณะอย่างไรก็ต้องดับชาติแล้วก็การที่จะปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ปฏิบัติอย่างไรในสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าก็โดยปริยายก็หมายถึงมักอันประกอบด้วยองค์แปดผู้ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมกระเจาปรินิพาน เฉพาะตนในที่สุดนะคผมจะไม่ขออธิบายเจาะเข้าไปในตอนนี้ครับเรื่องความเกิดเรื่องความดับต่างๆเนี่ยฮะขอเลยไปถึงสูตรถัดไปอุ ป, ปาทานสูตรแต่ว่าเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็แสดงที่เก่าแก่พิสูน์ทั้งหลายข้อความที่ย่อไว้เป็นภาษาบาลี อัศาทานุปัตสีในอุปาทานิยธรรมตรงนี้แปลว่าการตามพิจารณาด้วยอำนาจแห่งความพอใจคำว่านุปัสสีเนี่ยเราจะได้ยินในฐานะที่เป็นการตามพิจารณาด้วยสติเช่นกายเยกายานุปัตสีคือตามพิจารณากายเวทนานุปัสีการตามพิจารณาเวทนา อนุปัสสีในที่นั้นหมายถึงสติสัมปชัญญะเป็นผู้พิจารณาแต่ในที่นี้อาสาธานุปัสสีอาสาธาแปลว่าความพอใจเป็นชื่อของโลภะเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของราคะจึงแปลว่าการตามพิจารณาด้วยอำนาจแห่งความพอใจคือความพอใจเป็นผู้ตามพิจารณาก็เลย เห็นเป็นเส้นขนานกันอันหนึ่งว่าการที่เราเอาจิตเข้าไปตามผูกพันกับอารมณ์โดยธรรมดาของเราเนี่ยเราก็จะมีการตามผูกพันอารมณ์ด้วยอำนาจของตัณหาเป็นปกติของเราถ้าเมื่อไปปฏิบัติธรรมก็จะใช้สติเข้าไปตามผูกพันกับอารมณ์ทีนี้ถ้าบุคคลตามผูกพันกับอารมณ์ด้วยอานาจของสติเนี่ย ก็จะพิจารณาอารมณ์ที่เป็นเรื่อ ง, องรูปนามคือพิจารณาเอาเนื้อแท้ของอารมณ์ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่เรารู้กันในหลักปฏิบัติแต่ถ้าตามพิจารณาอารมณ์ด้วยกิเลสแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอารมณ์ที่กิเลสตามเกี่ยวพันหรือตามพิจารณา น, านี้เป็นอุปาทานิยธรรม อุปาทานี้ทำแปลว่าทมอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานคาว่าทำเป็นที่ตั้งของอุปาทานอุปาทานคือกิเลสนะครับเอาง่ายๆว่าอารมณ์ในโลกเนี่ยความจริงมันก็อาจจะนับเป็นหนึ่งเป็นหน่วยเดียวสมมติเราคิดว่าเป็นหน่วยเดียวคนที่มองอารมณ์ด้วยทัศนคติอย่างเป็นธรรมะ ก็จะเห็นอารมณ์นั้นอย่างชนิดที่ไม่เป็นที่ตั้งอาศัยของอุปาทานแต่ถ้าตามพิจารณาอารมณ์ในโลกนั้นอย่างกิเลสอารมณ์นั้นก็จะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของอุปาทานสมมติว่าอารมณ์อันเดียวกันเนี่ยยกตัวยอย่างอะไรก็ได้รู้ว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันก็คือนามคือรูปอย่างที่มันเป็นเนี่ยนะนี้ถ้าเรามองด้วยกิเลสเนี่ย ไอ้โลกทัศน์มันจะออกไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามองด้วยความรู้สึกธรรมะไอ้โลกทัศน์ก็ออกไปอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ตัวมองเนี่ยเป็นตัวสาคัญดังนั้นถ้าอัานุปัตตอัาธานุปัตสีมองอารมณ์อารมณ์นั้นก็จะเป็นที่ตั้งของกิเลสทันทีถ้าสติเป็นตัวมอง อารมณ์นั้นก็จะเป็นไม่ไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทันทีจึงเป็นว่าพระสูตรนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าชาวโลกเนี่ยมองอารมณ์ด้วยสายตาของคนมีกิเลสเมื่อมองอารมณ์ด้วยสายตาของคนมีกิเลสอย่างนี้ก็เป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหา เรายินดีในอารมณ์เห็นอารมณ์ด้วยความยินดีด้วยทัศนคติยินดีในอารมณ์ตันหาก็เกิดเมื่อตันหากเกิดอุปาทานก็เกิดไล่เลื่อยไปจนกระทั่งถึงชะลาและมรณะเกิดเพราะฉะนั้นไอ้จุดเริ่มต้นที่ท่านแสดงก็คือความยินดีในอารมณ์ปฏิจจโกงอื่นๆก็เกิดสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับไป ดุดกองไฟได้เชื้อถามว่าอะไรเป็นเชื้อตอบว่าไอ้ไฟจุดเล็กๆนั้นคือความยินดีอาสาถานแล้วก็สิ่งที่เป็นเชื้อเติมไฟเล็กๆนั้นก็คืออารมณ์ชนิดที่เป็นที่ตั้งแก่อุปาทานอารมณ์ใดที่เรา เห็นโดยความเป็นอย่างใดก็แล้วแต่เถอะแต่ทำให้เกิดความยินดีได้อารมณ์นั้นแหละเป็นเหมือนเชื้อที่ไฟมันอาศัยลุกไหม้แล้วมันก็ลามใหญ่โตไปจนถึงความทุกข์ขั้นสุดยอดคือชรลามรณะโกกับริเตวะทุกโตมรณะอุ ป, ปายาตในพระสูตรได้แสดง อีกสีกหนึ่งของอนุปัสิสีโดยท่านใช้ภาษาบาลีว่าอาทีธนวานุปัสสีแปลว่าการตามเห็นอารมณ์ด้วยความเบื่อหน่ายการตามเห็นอารมณ์ด้วยความเบื่อหน่ายตรงนีนะ้เป็นชื่อของวิปัสนาท่านเรียกว่าอาทีธนวะบ้างเรียกว่านิพิทาบ้างเมื่อจะตรัสเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งสั้น ก็จะเลือกเรียกเป็นหลายอย่างก็คือมองโลกด้วยความน่าเบื่อหน่ายมองชีวิตด้วยความเห็นเป็นโทษก็คือเห็นอารมณ์ที่เรารับรู้เนี่ยด้วยความรู้สึกเป็นโทษจับโทษของอารมณ์ได้แล้วก็ได้ความรู้สึกว่าเป็นโทษอันนั้นแหละเรียกว่าอาทีนวานุปัสสี จึงให้เข้าใจเสียตรงนี้ทีเดียวว่าคนปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่ได้มองอารมณ์ด้วยความรื่นรมใจอย่างคนมีกิเลสทั่วไปแต่ให้มองหาโทษโทษตรงนี้นะหมายถึงโทษอย่างที่มันเป็นเป็นก็คือว่าเป็นเชื้อไฟเชื้อของไฟคือกิเลส ก็จะเกิดความเบื่อเบื่อตัวนี้หมายถึงเบื่ออย่างกรรมฐานนะฮะเมื่อเกิดความเบื่อตัณหาก็ดับตัณหาเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้อุปาทานก็เกิดไม่ได้อย่างอื่นก็เกิดไม่ได้จนกระทั่งชาาและมรณะก็เกิดต่อไปไม่ได้และถ้าเราจะพูดแบบแยกส่วน แยกส่วนคือมีตื้นลึกหนาบางเนี่ยอย่างในสูตรนี้ท่านพูดเอาอย่างสูงสุดหมายถึงเบือ่อรูปเบือ่อน้ำแล้วก็พ้นจากชรลาและมรณะเด็ดขาดไปเลยไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกแต่ถ้ามองอย่างในระดับที่ยังไม่บรรลุถึงขั้นอรหันต์หรือขั้นพระอริยบุคคลที่จำกัดชลามรณะให้เหลือน้อยชาติลงก็พูดว่าการที่เรา ปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดความเบื่อเช่นว่าเราเบื่ออากุศนละก ร, รมในบางระดับได้ตัณหาในอากุศนละก ร, รมระดับนั้นในนามรูประดับนั้นก็ไม่มีอุปาทานระดับนั้นก็ไม่มีเมื่ออุปาทานระดับนั้นไม่มีปฏิจจะองค์อื่นๆในระดับ น, น, นั้นก็ถูกขูดเก่าถูกจำกัด ก็ทําให้ความแก่ที่เราจะมีโสกกระปริเทวะทุกขโทมานะที่เราจะมีเนี่ยถูกจํากัดอย่างเช่นว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยโศกกระปริเทวะอย่างมนุษย์ก็เป็นอย่างหนึ่งและโสกกระปริเทวะอย่างของพวกสัรวรกก็เป็นอย่างหนึ่งไม่เท่ากันความแก่ของมนุษย์ก็เป็นอย่างหนึ่งของพวกอื่นก็เป็นอย่างหนึ่งไม่เท่ากันอันนี้เป็นส่วนต่างเป็นขั้นๆ้น จากอาทีนวานุปัสสีที่บุคคลได้ในขีดขั้นต่างกันเพราะฉะนั้นอุปาทานตรเนี้ท่านจึงหมายถึงอารมณ์เป็นที่ตั้งของอุปาทานคืออารมณ์รอบๆตัวนี่เป็นที่ตั้งอุปาทานทั้งนั้นตัวเราก็เป็นที่ตั้งของอุปาทานถ้าเราคิดอย่างยินดีก็จะพอเหมาะพอดีกับอารมณ์เลยเราจะเกิด กิเลสเกิดวัตจักรของปฏิจจะเป็นลำดับลำดับไปก็เลยนึกว่าการใช้ชีวิตอยู่อย่างโลกโลกเป็นบรรทัดแรกอัสสาธานุปัสสีการเข้าไปปฏิบัติธรรมเป็นอาทีนวานุปัสสีเรากำลังเดินอยู่ทั้งเส้นไหนเป็นสองเส้นอย่างนี้ วันนั้นที่บอกว่าไฟสิ้นเชื้ออะไรเป็นความสิ้นของเชื้อเป็นตัวทำลายไฟด้วยการทำลายเชื้อก็คืออารทีนวานุปัสสีเป็นตัวดับเป็นตัวทำให้สิ้นสูตรที่ห้าสิบสามปฐมสังโยชนะสูตร แปลว่าเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความร้อยรับสูตรที่หนึ่งเอื่นมีสองสูตรครับสูตรนี้มีเนื้อความหลักเนี่ยคล้ายกับอุปาทานสูตรเมื่อสักครู่นี้ต่างกันที่ว่าท่านพูดถึงอารมณ์เวลาท่านพูดถึงอารมณ์ในโลกเนี่ยบางทีท่านก็เรียกว่าเป็นสาสวธรรม คือเป็นที่ตั้งของกิของอานสวะก็ได้บางทีก็เรียกว่าเป็นที่ตั้งของอุปาทานบางทีก็เรียกว่าเป็นที่ตั้งของสังโยชน์บางทีก็เรียกว่าเป็นที่ตั้งของกิเลสคือมันพูดได้โดยกล่าวพาดพึงถึงกิเลสในโมหันไหนความหลักนี่เป็นอันเดียวกันเพราะว่ากิเลสก็คืออกุศลธรรมสังโยชน์ก็คืออกุศลธรรม อาสวะก็คืออกุศลธรรมอุ ป, ปาทานก็คืออากุศลธรรมหรือว่าอนุสัยก็คืออกุศลธรรมพระพุทธเจ้าจะทรงเรียกโดยโวหารต่างๆกันไปแล้วก็จํานวนข้อหาจจะแตกต่างกันด้วยหรืออาจจะเหมือนกันอย่างเช่นว่าอาสาาวะสี่ กับอุปาทานสี่อะไรเงี้ยก็เท่ากันเหมือนกันพูดอย่างรวมๆเนี่ยก็เห็นจะต้องบอกว่าตัวเราทั้งตัวอารมณ์รอบๆตัวเราทั้งหมดคนรอบๆตัวเราทุกคนเป็นธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสได้ทางนั้น เป็นธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของสังโยชน์เป็นธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปาทานได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ทำนองเดียวกันก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งของความสิ้นอุปาทานเราจะเกิดกิเลส ก, ก็เกิดกับรูปกับนามกับสิ่งรอบๆตัวนี้เราจะละกิเลสก็ต้องละกับรูปกับนามอาศัยรูปอาศัยนามและละด้วยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนี้ โดยการตั้งสัญญาขึ้นในใจให้แตกต่างกันให้ตรงกันข้ามกันถ้าเราตั้งสัญญาว่าชอบใจพอใจสร้างทัศนคติอย่างนั้นเข้าหาอารมณ์ตัญหาก็เกิดปฏิจจะก็ทำงานโดยลำดับถ้าเราตั้งสัญญาว่าไม่น่าพอใจไม่น่าชอบใจไม่น่ายินดี อาทีนวาสัญญาหรืออาทีนวานุปัสีก็เกิดเมื่ออาทีนวานุปัสีเกิดเนี่ยตัณหาก็ไม่เกิดกิเลสอย่างอื่นก็ไม่เกิดวัตฏตสงสารก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าต้องการจะบอกอย่างนี้ก็อย่างที่เราพูดกันะครับว่ากิเลสเกิดที่ไหนเมื่อจะละกิเลสก็ต้องละที่นั่นในในแง่ของกายภาพก็คือว่า ไม่ต้องไปหนีเหมือนตอนที่พระเจ้าถูกด่าในแง่ของสภาวะทางการปฏิบัติเนี่ยก็คือเมื่อกิเลสเกิดเพราะเห็นรูปเพราะรูปารมณ์เมื่อจะละก็ต้องละเมื่อเห็นรูปเพราะรูปารมณ์เป็นต้นเพียงแต่กลับสัญญาใหม่แล้วก็ไปเผชิญหน้ากับอารมณ์อารมณ์นั้นก็จะไม่เป็นพิษ แก่ตัวผู้นั้นอีกต่อไปแม้สูตรที่40อ54ทุติยสังโยชนสูตรที่แปลว่าเรื่องสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความร้อยรัดสูตรสองที่แสดงที่เดียวกันแก่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยครับเนื้อความเหมือนกับสูตรแรกต่างกันที่ทรงแสดงอุ ป, ปมาก่อน หมายควาว่าในสูตรก่อนเนี่ยทรงแสดงว่ า, เ, าเมื่อเรามองอารมณ์รับรู้อารมณ์ด้วยการพิจารณาด้วยอำนาจของความยินดีตามรับรู้ด้วยความยินดีกิเลสก็เกิดแต่ในสูตรนี้ทรงตรัสว่าไฟที่มีเชื้อยอม เกิดการลุกไหม้ลุกลามใหญ่โตแล้วก็ทรงแสดงว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นบุคคลเมื่อเห็นอารมณ์ในโลกด้วยอำนาจของความยินดีพอใจกิเลสก็เกิดแล้วหลังจากนั้นก็ตรัสว่าไฟที่สิ้นเชื้อยอมไม่ลุกลามชั้นใดบุคคลเมื่อมองอารมณ์รับอารมณ์รู้อารมณ์ในโลกด้วยความรู้สึกไม่ยินดีกิเลสก็ไม่เกิดก็ ในสูตรนี้เนี่ยถ้าจะให้นึกเทียบกับในในกรณีของธรรมะคู่อื่นนะฮะในธรรมะคู่อื่นบางทีท่านพูดว่ายินดีคู่กับความไม่ยินดีอภิชาคู่กับโทมนัสถ้าพูดอย่างนั้นก็แปลว่าไอ้ทั้งสองอย่างนะเป็นความสุดตรงของของความรู้สึกที่ทำให้กิเลสเกิดทั้งคู่แหละ แต่ในสูตรนี้พูดถึงความยินดีกับความรู้สึกเข็นเป็นโทษอาทีนวะนั้นไม่ใช่โทสะแต่เราก็รู้ว่าโทสากับกับปัญญาเนี่ยมันคล้ายๆกันคือมันไม่ยินดีในอารมณ์ต่างกันตรงที่ว่าโทสานั้นไม่ยินดีด้วยอาการประทุสลายแต่ว่าปัญญาหรืออาทีนวะ เห็นเป็นโทษเนี่ยไม่ยินดีอารมณ์ด้วยความรู้สึกปล่อยวางเห็นเป็นโทษตามความเป็นจริง mm hmm. ก็คืออาสาธากับอาทีนวะพูดอย่างเป็นตัว mm hmm. สังหารกันเป็นปฏิปักกันแต่ถ้าพูดว่าอาสาธากับอารติ คือความไม่ยินดีด้วยโทสะเนี่ยอภิชากโทมนัทเนะ่พูดอย่างผู้สังสมกิเลสด้วยกันเราเลยไปดูสูตรที่ชื่อว่ามหาลุกูตรกระสูตรนี้ตั้งขึ้นด้วยอำนาจของอุปมาคือทมที่ทรงแสดงนั้นทรงเปรียบเหมือนกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็สูตรที่สอง ที่ชื่อว่าทุติยะมหาลุกสูตรก็เช่นเดียวกันครับเป็นแต่ว่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งแสดงอุปมาอุปไมยก่อนแล้วก็แสดงอุปมาภายหลังสูตรที่สองแสดงอุปมาก่อนแล้วแสดงอุปไมยภายหลังอย่างที่ในนี้ ได้กล่าวละความไว้เนื่องจากว่าเนื้อความเหมือนกับสูตรที่52ที่ผ่านมาก็เลยไม่ต้องพูดกันนะครับต่างกันที่อุปมาเท่านั้นครับอุปมาในสูตรก่อนนั้นเหมือนกับไฟบังกองไฟบ้างดวงประทีบบังส่วนสูตรตรงนี้อุปมาเหมือนกับต้นไม้ได้ปุ๋ยหรือต้นไม้ถูกทำลายหรือไม่ใช่แค่ไม่ได้ปุ๋ยเท่านั้นแต่ถูกทาลาย ก็เป็นนั้นว่าเราผ่านสองสูตรนี้ไปแล้วก็ไปถึงสูตรที่ห้าสิบเจ็ดดารุณลุกสูตรดารุณลุกสูตรนั่แปลว่าต้นไม้อ่อนคือต้นไม้ยังเยานั่นเองความก็เหมือนกับสูตรห้าสิบสามต่างกันที่อุปมาคือสูตรนี้อุปมาด้วยต้นไม้อ่อน ที่ได้รับการบำรุงหรือต้นไม้อ่อนที่ถูกทำลายถูกทำลายก็คือตัดฟันถอนรากถอนโคนแล้วก็เอามาเผามาบดมาทำลายและไปโปรยลงในแม่น้ำอีกทีหนึง่งพระพุทธเจ้าตรัสการทำลายอย่างละเอียดขนาดนั้นเพื่อให้รู้สึกได้ว่าเป็นสมุดเคทพระหารการทำลายอย่างนี้ก็เริ่มจากการควบคุมการรับรู้อารมณ์ อย่าให้ตัณหามันเข้ามาเป็นตัวหลักในการรับรู้อารมณ์ต่างๆสูตรที่ห้าสิบแปดนามรูปสูตรแล้วก็สูตรที่ห้าสิบเก้าวิญญาณสูตรสองสูตรนี้เนื้อหาอื่นๆเนี่ยก็จะจะเหมือนกันแหละครับจะสังเกตว่าต่างกันที่ท่านตรัสว่าเมื่อบุคคล ตามพิจารณาอารมณ์ด้วยอำนาจของความพอใจในอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสเนี่ยหรือพูดอย่างธรรมดาก็คือการรับรู้อารมณ์ด้วยความยินดีพอใจแล้วนามรูปก็จะเกิดขึ้นข้อนี้นามรูปที่กล่าวถึงตรงนี้นะ่ะมีสภาพเหมือนกับเป็นพบชาติใหม่ ตัณหาที่เราสะสมเนี่ยเป็นสมุ ท, ทยัยสมุทัยก็คือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดใหม่สำหรับสูตรที่ชื่อว่าวิญญาณเบื้องต้นคล้ายกันว่าเมื่อบุคคลเกิดตัณหาสั่งสมตัณหาไวในอารมณ์ต่างๆแล้ววิญญาณก็จะเกิดขึ้นก็หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณก็คืออัตภาพใหม่ชีวิตใหม่ที่มีตัณหาเป็นสมุ ท, ทยัยแล้วก็ ปฏิจจะ อ, องค์อื่นก็เกิดขึ้นสืบต่อกันและถ้าจะดับก็ต้องอการดับตัณหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าทำตัณหาไม่ให้เกิดแบบระงับตัณหาดับความรู้สึกไปอย่างง่ายๆจะทำให้ตัณหาถอนได้ต้องต้องดับด้วยการทำทัศนคติต่ออารมณ์ขึ้นมาใหม่ เช่นเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยน่ายินดีน่าพอใจตาเราน่ายินดีน่าพอใจนามรูปทุกสิ่งทุกอย่างน่ายินดีน่าพอใจเราไม่เห็นเป็นโทษการจะเห็นเป็นโทษนั้นก็ไม่ใช่ง่ายเมื่อบุคคลไปปฏิบัติธรรมก็เห็นนามรูปเป็นโทษเมื่อเห็นนามรูปเป็นโทษเนี่ยมันถึงสกัดไอความรู้สึกกินดีได้เป็นของธรรมดาเลย เราจะตัดใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ต้องมองในแง่โทษมองโทษให้เห็นแต่การมองโทษให้เห็นเนี่ยมันมันมีผิดสาหรับในทางโลกโลกอย่างหนึ่งก็คือว่าไปทางศาสนคติผิดไม่ถูกต้องก็ทำให้เราบางทีถอนความยินดีไปได้โวยเอาโทสะมาเป็นตัวถอนไอ้โทสะเนี่ยมองเห็นโทษอย่าง เป็นความคลิ้วโกรธและไม่ชอบทำแต่ก็ทำให้คนละตันหาได้แต่การละอย่างนี้เป็นลักษณะของการหนีเสือป่าจระเข้ครับไม่พ้นทุกไปได้ถ้าเราถอนได้ด้วยความรู้สึกเข็นเป็นโทษตามความเป็นจริงเนี่ยก็จะสามารถถอนตันหาในกรณีนั้นๆได้โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการทำวิปัสสนา ก็อยู่ในขายหลักการนี้แล้วก็สูตรหกสิบนิทานนสูตรแสดงต้นเหตุของวัฏทุกข์อ่าสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงที่กรรมาตธรรมนิคมกุรุรัตแสดงแก่พระอ น, อนุนก็ได้แสดงด้วยเนื้อหาเป็นอย่างที่กล่าวมาในสูตรก่อนๆแล้ครับคืออุปาทานิยธรรม ในในสูตรทั้งหลายที่พูดถึงอารมณ์เนี่ยจะเรียกอุปาทานิยธรรมกับสังโยชนียธรรมเรามองอารมณ์ที่เป็นอุปาทานิยธรรมสังโยชนียธรรมด้วยความรู้สึกที่เป็นกิเลสหรือไม่ถ้ามองด้วยความรู้สึกที่เป็นกิเลสคือความพอใจผลลัพธ์ก็เป็นอย่างหนึ่งถ้ามองด้วยความรู้สึกที่เป็นอาทีนวะธรรมผลลัพธ์ก็เป็นอย่างหนึ่งนะฮะเราเราจบเอกสารชุดเก่าไปสิสูตรท่านี้ เราจะมาใช้เอกสารชุดใหม่ที่แจกวันนี้นะครับซึ่งเริ่มโดยวรรคที่เจ็ดที่ชื่อว่ามหาวรรคแปลว่าตอนที่กล่าวถึงมหาภูต ร, รูปในสูตรแรกมีทั้งหมดสิบสูตรเป็นวรรคที่เจ็ดทั้งหมดจะมีสิบวรรคโดยมากก็จะมีสิบสูตรสำหรับวรรคนี้สูตรที่หนึ่งชื่อว่าปะ ผมอัศสุตวะวตาสูตรแปลว่าอศสุตวะวตาในแปลว่าไม่ได้สดับและท่านจะพูดถึงผู้มิได้สดับว่าคือบุตุชนบุตุชนผู้มิได้สดับในทางอธิบายพิสดารเนี่ยเราได้พูดมาแล้วว่า อย่างเราเป็นปุติชนผู้ไม่ได้สดับหรือไม่ก็อย่างเราเนี่ยเป็นปุตุชนแต่เป็นผู้ได้สะดับแต่ถามว่าปุตติชนผู้ได้สะดับเนี่ยเป็นผู้รู้จักเบื่อหน่ายในกายมได้คุณอย่างที่พระอริยะได้หรือไม่เราบอกเราไม่ได้คุณอย่างที่พระอริยะ ไ, ไ, ไ ด, ะได้แล้วทำไมจึงกล่าวว่าปุตชนผู้มิได้สะดับเป็นอย่างนี้ อันนี้ในทางอธิบายก็ได้เคยพูดแล้วว่าการได้สดับเนี่ยเป็นอาธิพรหมจันทร์ปุถุชนที่ไม่ได้อาธิพรหมจันทร์เลยเนี่ยก็จะเป็นผู้มีกิเลสสมบูรณ์ตามที่ท่านได้กล่าวถึงนี้อย่างไม่มีข้อแม่เลยแต่ปุถุชนอย่างเราเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่แต่เรายังได้ชื่อว่าเป็นปุถุชนผู้มีอาธิพรหมจันทร์ คือได้สดับได้ศึกษาโดยเฉพาะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิปัสนาภูมิเป็นนั้นว่าท่านเมื่อท่านกล่าวถึงปุตุชนและจะกล่าวถึงกิเลสหนาปัญญายาบของปุตตยชนอย่างสมบูรณ์เนี่ยท่านก็จะกล่าวถึงปุตุชนโดยเอาเกณฑ์ปุตุชนที่มีไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นอริยคือแม้แต่การ ได้สุดตะมะยะปัญญาอันเป็นอาทิพรหมจันทร์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกิเลส ก, ก็สมบูรณ์พูดได้อย่างเต็มปากเหมือนเมื่อจะกล่าวถึงพร ะ, ะผู้ที่ละความยึดถือได้อย่างเด็ดขาดก็จะกล่าวถึงอรหันต์เป็นบุคคลอริยะขั้นสมบูรณ์เราดูเนื้อความที่กล่าวถึงในที่นี้นะฮะว่าปุถิชนผู้ไม่ได้สดับย่อมรู้จักเบื่อหน่ายกาย ได้ง่ายแต่เบื่อหน่ายจิตได้ยากอันที่จริงควรเบื่อหน่ายใจกว่ากายเพราะจิตเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากายดุจวานอนใหญ่ตรงนี้ความหมายโดยสรุปก็คือว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปุถุชนทั่วๆไปเนี่ย ความยึดถือยึดมั่นในกายว่าเป็นตนเนี่ยไม่เหนียวแน่นเท่ากับใจเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่ากายเนี่ยมันเป็นของเปลี่ยนแปลงเห็นเห็นตายเห็นเห็นผมหงอกเห็นเห็นเกี่ยวแก่ชลาเห็นเห็นแต่จิตเนี่ยมันไม่ได้แสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเลยเวลาเราจะหมายใจจากอัตตาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่จิต เรามั่นใจในจิตว่าเป็นของเที่ยงแท้มากกว่ามั่นใจในกายโดยความเป็นของเที่ยงแท้เราจึงมีความรู้สึกว่าตนของเราอยู่ที่จิตในบุตรชนคิดกันอย่างนี้แต่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าของพระรยะเนี่ยท่านบอกว่าที่จริง้วถ้าจะพูดกันอย่างให้สมเหตุสมผลจริงๆเนี่ยควรจะยึดถือ กายเป็นตนมากกว่าใจเป็นตนเพราะอะไรเพราะว่ากายเนี่ยมันเป็นของเปลี่ยนแปลงช้าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงเร็วชั่วประเดียเด๋ยวหนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งในจิตเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้เท่าไรแล้วจิตเกิดดับตลอดเวลาอายุของจิตน้อยกว่าร่างกายแต่เรามีความรู้สึกว่าจิตไม่ไม่ไม่แก่ไม่ตาย กายต่างหากแก่ตายเนี่ยเราคิดอย่างนี้แต่คนทำกรรมฐานกลับไปเห็นจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็จะสะดุ้งสะเทือนเมื่อเห็นจิตเปลี่ยนแปลงมากกว่าเห็นกายเปลี่ยนแปลงเพราะคนที่เห็นจิตเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็หมายความว่าไปเห็นสิ่งที่ตัวสำนึกว่ามั่นคงเนี่ยมันมันไม่มั่นคงแล้วไปเห็นอย่างนั้นได้ก็ต้องแสดงว่ามีกำลัง ของสติละเอียดดีมากจึงเห็นได้จึงสะดุ้งสะเทือนมากกว่าเห็นกายท่านเปรียบเหมือนกับจิตเหมือนกับวานอนในป่าใหญ่ที่จับต้นไม้ต้นนี้ทีต้นไม้ต้นโน้นทีเปลี่ยนปลเปลี่ย น, ยนมาตลอดเวลาแล้วก็ตรัสว่าอาดิยสาวกผู้ดได้สดับมานสิการโดยแยกขายซึ่งปฏิจจสิบสองในกายนี้ คือที่ท่านเรียกว่ากายเนี่ยหมายถึงรูปากายนามากายคือบอกกายและจิตร่างกายและจิตใจร่างกายและจิตใจก็คือปฏิจจสมุปาทันั่นเองครับนี่เมื่อพิจารณาแยกคายเนี่ยก็จะเห็นว่ากายและใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีสองหน่วย อ, อดื้อด้ดนดานอยู่แค่นั้นนะฮะมันเป็นหน่วยย่อยๆกระจายออกมาเป็นองค์สิบสองอวิชชาถึงชรลาและมรณะ ทั้งความเกิดทั้งความดับ ก, ก็ย่อมเบื่อหน่ายในขันสานวนนี้เรียกเป็นขันด้วยก็คือในกายและจิตรวมเรียกสั้นๆว่าเป็นขันจึงหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นหมายถึงหลุดพ้นจากการที่จะมีรูปขันนามขันลึกหลุดพ้นกายและจิตนี้นั่นเอง ที่หกสิบสองธุดะอัตสุตะวะตาแปลอย่างเดียวกันกันกบสูตรหนึ่งต่างกันที่ว่าเป็นสูตรที่สองเนื้อความในเบื้องต้นก็เหมือนกันกับสูตรหกสิบเอ็ดเมื่อสักครู่นี้วพราุกุตชนเบือ่อเบือ่อกลายง่ายเข้าใจสภาพที่ไม่น่า ย, ยินดีของกายใน ง, ง่ายกว่าจิต แต่ทางพร ะ, ท า, พระทางผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกลับเห็นว่าจิตน่าเบื่อหน่ายกว่าควรเบื่อหน่ายกว่าเพราะเกิดดับรวดเร็วมากกว่าร่างกายมากนะักแต่พอมาถึงพระอริยะผู้ได้สดัป ม, มานสิการโดยแยบคายซึ่งปฏิจจในกายนี้แต่ว่าปฏิจจที่พระสูตรนี้แสดงนั้นท่านเริ่มจับที่ผัสสะ พิจารณาที่ผัสสะการกระทบเนี่ยครับที่เป็นปัใจจัยให้เกิดเวทน า, าแล้วก็เวทนานะก็คือเวทนาสามคือในนี้นะแสดงปฏิจจารสององค์และในทางกลับกันตรงนี้ให้ขีดเครื่องหมายฆ่าในลูกศรที่สองว่าเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ อีนี้นะไอ้ตรงนี้ในทางอธิบายจำจริงเขาก็าอยากจะอธิบายแต่นึกว่าเอาไว้อธิบายเมื่อเรารวบความให้มันเหลือสั้นๆและอธิบายกันเยอะๆในตอนนั้นดีกว่าว่าเอผัสสะดับนี่ดับยังไงแล้วก็เวทนาบางแห่งว่าดับเวทนานี่ดับยังไงในทางปฏิบัติเนี่ยบางทีก็อาจจะอธิบายความไปต่างๆกันบ า, บางแบบ อย่างเช่นการปฏิบัติอย่างสำนักของท่านมหาสีก็มีการดับแบบดับความรู้สึกไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนเข้าเหมือนคนเข้านิโรธสมาบัติปีนะบางคนก็ดับสองชั่วโมงบางคนดับชั่วโมงบางคนดับติดสองชั่วโมงบางคนดับไปวันกับคืนอะไรเงี้นะแล้วก็มีความรู้สึกคืนขึ้นมาฟื้นขึ้นมาสิ่งเหล่าเนี้ยมันคืออะไร บางทีก็พูดว่าเป็นนิโรธสมาบัติอันนี้ผมไม่ได้ต้องการจะมาวิาพากวิจาร์ทีนี้ตรงนี้ดับของท่านตามความหมายในยถาพสูตรคืออะไรและเราจะดับผัสสะได้หรือดับเวทนาได้หรือผมยังจะไม่พูดตอนนี้ขอย้ำและจะผ่านไปว่าในตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสปฏิจจะแค่สององค์ คือผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาสามเมื่อมรณาธิการโดยแย บ, บคายก็รู้ว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาแล้วก็พิจารณาอีกทีก็คือผัสสะดับเวทนาก็ดับเมื่อพิจารณาทั้งสองส่วนนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายในขันก็จึงหลุดพ้นได้หกสิบสามครับสูตรหกสิบสามปุตตะมังสาสูตร ตอนที่เราพูดถึงสูตรนี้กันเนื้อความของสูตรทังนกค่อนข้างยาวใช่นะแปลว่าเรื่องดูดเนื้อบุตรกามจริงนะ่ะท่านแสดงอาหารสี่แต่ว่าอาหารสี่เนี่ยอาหารแรกนะ่ะเปรียบเหมือนกับเนื้อบุรก็เลยเอาอุปมาของอาหารแรกมาตั้งเป็นชื่อสูตร คืออาหารสี่ประกอบด้วยก็ว่าลิงกาอาหารอาหารที่กินเป็นคำคำผัดสะเป็นอาหารในของเวทนาโนสัญญเจตนาอาหารเนี่ยกรรมไตัวนี้เป็นกรรมะเป็นอาหารของวิบากแล้วก็วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเป็นอาหารของเจตสิกที่ประกอบแล้วเป็นอาหารของรูปที่วิญญาณนั้น เป็นตัวทําให้รูปนั้นปรากฏขึ้นอันนี้เวลาในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติกะวะลิงการาหานท่านสอนให้พิจารณาอาหารสีอาหารที่หนึ่งกะวะลิงการาหานเนี่ยให้พิจารณาเหมือนกับเนื้อบุตรของตัวเองเวลารับประทานอาหารพิจารณาเหมือนกินเนื้อของตัวของรูปตัวเองนะทีนี้คนที่พิจารณาอาหารได้เนี่ย ผู้นั้นจะได้ความอย่างรู้ได้ความฉลาดได้สติสัมมชัญญะอย่างดีในการควบคุมหรือปล่อยปลดลดละความยินดีในเบญจาการมกุนได้เพราะาอาหารนี่ถือว่าเป็นตัวแทนของรูปเสียงกิโิโตภตปาธรรมรมก็คืออาหารเนี่ยมันมีรูปมี สีมีเสียงมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีโละพนะอยู่ในอาหารที่เรากินใครที่จะพิจารณาอาหารโดยอาหารเลปฏิกูลสัญญาก็ดีหรือว่าโดยพิจารณาอาหารโดยในของวิปัสสนาก็ดีจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมเบญจการมคุณอารมณ์อันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตที่ดีและมีความลึกซึ้งมากทีเดียวในแง่ของการเทศนา ในเรื่องนี้สำหรับภาษาหานดุจแม่โคที่ไม่มีหนังผู้ที่พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะมีความรู้ในเวทนาความฉลาดในเวทนาสามอย่างได้คือจะรู้ได้ไง่ายก็คือการกระทบเนี่ยในความรู้สึกของคนปฏิบัติธรรมจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นของแสลงของของนำมาถึงความเจ็บปวด การรับรู้การกระทบเนี่ยอมันมีเอกลกษณีจริงๆที่ปรากฏการแก่ผู้ปฏิบัติได้เยอะนะแต่ว่าอย่างอย่างหนึ่งที่ผมได้รับคําบอกเล่าอยู่เสมออันหนึ่งคนที่ปฏิบัติทำลงลึกๆเมื่อปฏิบัติทำลงลึกๆเนี่ยไ อ, ไอ้กิเลสและกรรมเนี่ยมันก็คืนคลายออกมา มันเป็นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและอันหนึ่งที่มันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นได้ก็คือว่ารังเกียจการที่จะไปรู้เห็นไอ้นั่นไอน้นี่เช่นว่ากระทั่งเวลาอาหารเนี่ยก็ยังไม่อยากจะไปรับประทานอาหารหรือเมื่อมีใครมาพบก็ไม่อยากพบ มันรู้สึกว่ามันเป็นของแสลงมันเป็นความเจ็บปวดเหมือนกับเราเป็นแผลแล้ว้ามาปิดที่ไม่อยากเปิดอ่ะไม่อยากให้ใครดูแล้วไม่อยากเปิดใั้นอะไรมันมาถูกมันคล้ายๆอย่างนั้นเป็นอารมณ์ที่ที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดคือถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ลงลึกเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ไอ้ความทุรนทุรายของเราเราอยากจะไปเจอนั่นเจอนี่คุยกับคนนั้นคนนี้เห็นนั่นเห็นนี่ อันนระดับหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมาถึงระดับนี้เนี่ยมีความคือความปลอดภัยเนี่ยจะอยู่ที่การอยู่ในโลกส่วนตัวของกรรมฐานจึงจะปลอดภัยและไม่อยากจะไปรับรู้อะไรคือไอพผะตรงนี้ก็หมายว่าผัสสะในธรรมะเนี่ยเป็นของเหมือนว่ายังเป็นของดีไอ้ผัสสะอย่างอื่นเนี่ยเป็นของเจ็บปวดเป็นอย่างนั้นกายกายอย่างนั้น แล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าไอ้ผัสสะแม้ผัสสะในธรรมะก็เป็นของเสี่ยงกับความเจ็บปวดถ้าหากว่าเราเกิดความรู้สึกในทางกิเลสกับผัสสะนั้นมโนสัญเจตนาหลุดหลุมฐานเพลิงตรงนี้ท่านหมายถึงกรรมนะแต่เวลารู้เลยท่านบอกว่ า, าย่อมรู้ตัณหาสามเพราะว่ากรรมเป็นเหตุให้เกิด ต, ตันหาเป็นเหตุให้เกิดกรรมบุคคลทำกรรมด้วยความอยากท่านในปฏิจจาวาตาตันหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพนะท่านกระจายตันหาออกเป็นสองระดับและภพในกลายเป็นกรรมมาภพแต่ถ้าพูดอย่างสั้นๆบางแห่งก็ตันหาเป็นเหตุให้เกิดกรรมทีนี้กรรมเนี่ยที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยถ้าเป็นอกุศ ล, ลกรรมเนี่ยเรากลัว เรากลัวทีนี้้ความรู้สึกเรากลัวอย่างเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันอย่างนะมันไม่ไม่ทุรนทุรายอะไรแต่ถ้าคนปฏิบัติเนี่ยมันมันแรงมากอ่ะอย่างเช่นกรรมฆ่าสัตว์กรรมรักทรัพย์เนี่ยนะเวลามันผุดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหมันกลัวมันสมมติเราหลับตายอยู่ต้องทะลึ่งลืมลงเลย แล้วก็ไในร่างกายเนี่มันจะเหมือนถูกไฟช็อตกับเทือนวุบอะไรเงี้ยรุนแรงมากเกิดความกลัวอย่างนั้นทีนี้มันก็เลยมาถึงว่าไปนึกถึงไอ้กรรมบุญมันก็เห็นความไม่เที่ยงอีกว่าบุญนั่นมันถึงยังไงมันก็ไม่เที่ยงมันเสี่ยงเราพลาดได้ประมาทได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไอ้กรรมบุญมันก็ทําให้เรามีไอ้รูปมีนามที่มันเป็นของเปล่าบางอย่างนี้ ก็เลยเคยกลัวกรรมทั้งบุญและทั้งบาปแล้วก็เมื่อกลัวกรรมเนี่ยก็เลยไปรู้ไอ้กรรมเนี่ยเกิดจากปันหาความอยากที่จะไปสวรรค์อยากอย่างงู้นอยากอย่างนี้ทําให้เราต้องทํากรรมสนองความอยากก็เลยมาควบคุมไอ้ความอยากทาําทําอ้อยากที่จะได้โน่นได้นี่แล้วก็ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะนั้นพระอาหารหันต์ถึงเบื่อกรำถึงไม่ต้องการทั้งบุญทั้งบาปเห็นกรรมทั้งบุญทั้งบาปในฐานะที่เป็นมารทั้งคู่ไม่ได้อยากได้บุญอะไรอย่างที่เราอยากเลยไอ้ของเราเนี่ยแค่ลําพังว่าจะทําเอาบุญล้วนๆมันก็อายกจิตให้มาเป็นผู้ ชื่นชมในบุญแท้ก็ยังยากแล้วนะฮะแต่จะเบื่อบุญหนายบุญไม่ต้องการบุญเป็นสิ่งที่เราเห็นจะว่าสูงไปแต่ว่าเอาแค่ว่าเราเกลียดบาปอย่างสะดุ้งผวาด้วยสติอะเกลียดบาปคือคนสะดุ้งผวาเพราะกรรมเนมางทีก็ไม่ได้ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกดิดความรู้สึกเกลียดแบบกลัวมากกว่าแต่ถ้าสะดุ้งผวา เพราะความเกลียดบาปอย่างนี้จะเป็นความสะดุ้งผาวาด้วยสติสัมปชัญญะในทางปฏิบัติแล้วมันจะเลยไปถึงความเกลียดบุญด้วยเพราะมันมันเชื่อมถึงกันเดีย๋ยวเราก็จะเข้าใจออฟละาอารหันหรือที่พระพุทธเจ้าสอนให้หน่ายบุญให้ทิ้งกรรมทั้งสองอย่างเนี่ยมันคืออย่างนี้เองก็เราก็ล <'d> ังน <'d> ึกไอ้อย่างไอ้ที่เป็นข่าว เราเห็นตีไดก็นึกถึงพุถุพจน์นะออราชกาลไล่ชื่อเสียงนี่เป็นอันตรายที่เจ็บปวดชื่อเสียงชื่อเสียงหอมหวานชั้งเขาตามไล่ยิงลูกใส่ตัวจะไปที่ไหนไม่เป็นสลนตรายกวนโมโหกวนมาสารมากใช่ไหมใครก็อยากมีชื่อเสียงใครเห็นไอ้คนที่เห่อทำพลาดเธอให้ใครก็มาทําขงทําข่าวมันก็มี แต่ว่าเออทำไมมาถึงตรงนี้แล้วมันกลายเป็นหน้าเบื่อนหน่ายหนีไปไม่พ้นกลายเป็นความทุกข์ก็ได้แต่นึกถึงคําพุทธเจ้าอย่างที่ว่านะครับลาบส ก, กาละและชื่อเสียงเป็นอันตรายทําให้ถึงตายได้ชื่อเสียงแต่คนที่เออ่ยังขาดแคลนที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งคือขาดแคลนหมายถึง ตันหาต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ยังไม่อาจที่จะสนองตันหาได้ไอตันหามันก็มองในแง่ดีไปก่อนไม่ได้คิดแล้วว่าไอการได้สิ่งนี้มาทานาทุกข์อะไรมาด้วยนี่พอมันได้สิ่งนั้นมาแล้วสมใจตันหาแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เป็นทุกข์มันตามมาด้วยตันหามันก็ดิ้นหล่นเลื่อนความต้องการเพื่อที่จะไปแสวงหาสิ่งใหม่ให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่ตัหา เป็นเหตุให้กระทำกรรมแล้วได้สิ่งนั้นมาแล้ววิญญาณนาหารดุจห อ, อกร้อยเล่มปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกระห อ, อกก็หมายความว่าการที่เรายัางลงปฏิสนธิพบแล้วพบเล่าเนี่ยเหมือนห อ, อกเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยห อ, อกย่อมเป็นผู้กำหนดรูรูปนามที่ว่ากำหนดรูรูปนามเพราะว่า เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นน้ำรูปก็เกิดขึ้นรองรับในทันทีคือตรงนี้นะท่าพระอาหารหันต์พูดถึงการเกิดเห็นการเกิดของสัตว์ปลาลบการเกิดของสัตว์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นความเจ็บปวดเหมือนเป็นความเจ็บปวดอย่างนี้พอ ว, วิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเหมือนหอกที่ทิ่มตำ่ำ ไ, ไอ้เราเองเนี่ย โดยธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกรู้ษาอย่างที่พูดนี้เท่าไหร่หรอกจะรู้สึกก็รู้สึกแบบจับใจเนี่ก็จะเพราะบางครั้งนานๆครั้งในอารมณ์ของปฏิบัตินะฮะอันหนึง่งกับบางครั้งในในยามที่คนมีทุกข์แล้วก็ปลาลบว่านี่เป็นภัยของสังสารวัฏไม่อยากเกิดเลยอันนั้นก็เป็นอย่างหยาบๆแต่ก็นับว่าดีที่จะพอเป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติได้ใครที่รู้สึกอย่างนี้มากๆเ้วก็รู้สึกด้วยสติปัญญาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติที่จะได้อารมณ์ดีต้องทำใจให้สลดสังเวชไว้ให้มากแล้วใจจะสงบสงเงียมปฏิบัติแล้วก็ดีตอนนั้นหลวงปูเธเจา้าาถึงให้นึกถึงความตายให้นึกถึง อาสุภะกายกะกตาสติอะไรเงี้ยนะใจมันจะหลุดจากปริโภทลง่งแล้วปฏิบัติทําได้เคลิบเคลิมดีอัติราคะเป็นสูตรหกสิบสี่คือเรื่องเมื่อมีความกำหนัดปฏิจจาก็เกิดต่อเนื่องกันคือบอกว่าเมื่อมีราคะ ปัญหาในอาหารสีอาหารสีอยู่ในฐานะเป็นอารมณ์แล้วล่ะครับอยู่ในฐานะเป็นอารมณ์วิญญาณก็เกิดตรงนี้ี่เป็นเรื่องของความทับซ้อนกันโดยวิญญาณที่วิญญาณได้แก่ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันมีถ้าตรงนี้กล่าวในฐานะที่เป็นผลแต่ เป็นผลของอะไรเป็นผลของตัณหาตัณหาเนี่ยมันไปพอใจอะไรก็ไปพอใจในปฏิสนธิวิญญาณก็ทําให้วิญญาณใหม่เกิดขึ้นไปพอใจในอาหารซึ่งเป็นตัวแทนของรูปเสียงกิริโภตวัฏธรรมลมเนี่ยไอ้ตัณหานั้นก็มีพลังก็คืออาหารสี่เป็นอาหารของตัณหาตัณหาก็เกิดพลังทําให้ปฏิสนธิเกิดใหม่มันเป็นเรื่องหมุนเวียนกลับไปกลับมา ของกิเลสของวิบากนั่นเองครับไม่ใช่อะไรแล้วก็นามรูปสังขารมีคำว่าปูนับภาวะในแปลว่าพบใหม่ต่อไปแล้วก็ชาติฉรามณะเราจะเห็นว่าการแสดงองค์ปฏิจจสมุปบาทในใ ห, หลายๆสูตรเนี่ยจะมีการขมวดอย่างชาติกระฉลามรณะเนี่ยโดยมากก็จะแยกชาติไว้องค์หนึ่งชร า, ามระณะองค์หนึ่งแต่ในที่นี้รวมองค์กันครับ แล้วโศกะทุลีอุปายาตแทนที่จะเป็นโศกกาบริเทวทุกตมนั้นอุปายาตกลายเป็นโศกกาทุลีอุปายาตอันนี้เราค่อยมาสังเกตภายหลังกันดีทีครับนี่ถาหากว่าไม่มีราคะในอาหารสี่ปฏิจจาก็หมดตรงนี้นยผมจะกำลังจะยืนยันให้ท่านเห็นว่าวิปัสนาภูมิที่เราคุ้นๆกันในสติปัฏฐานสี่เนี่ยผมถึงบอกหลายๆหนว่า ไม่ใช่แค่นั้นอาหารสีก็เป็นวิปัสนาภูมิคนปฏิบัติวิปัสนาด้วยการกำหนดอาหารสีก็ได้กำหนดด้วยโลกธรรมแปดก็ได้นีถ้าท่านถามว่าทำยังไงผมบอกผ ม, มพูดมากไม่ได้เพราะว่าไม่มีสำนักสอนก็พูดได้แต่หลักๆแบบยังไงก็ลงละเอียดว่าทำยังไงโดยพิสดารเนี่ยมันไม่มี มีแตธรรมะสำนักก็สอนกันไปแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างไม่ไม่ครบวิปสัสนาภูมิที่มีอยู่ต่อไปนักกร ะ, ระสูตรกระสูตรที่ท่านเปรียบเหมือนการค้นพบนครเก่าโดยทางเส้นใหม่สูตรนี้แหละครับที่มีการกล่าวอ้างถึงกันบ่อยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างธรรมะเป็นผู้ค้นพบธรรมะ เหมือนกับบุรุษคดค้นพบนครเก่าด้วยทางเส้นเก่าเก่าก็คือเก่าอย่างที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนได้เดินไปด้วยทางเส้นนั้นแล้วก็ได้ใช้นครนั้นเป็นที่อยู่อาศัยมาแล้วเอก็ทรงค้นพบปฏิจจาไล่ตั้งแต่ชาติชลาจรามนะย้อนไปพอไปถึงนามรูปกับวิญญาณและลูกอนมีทั้งสองหัว ไม่ไม่ได้เขียนผิดอ่ะคือตรงนี้นะท่านมาจบตรงที่วิญญาณกับนามรูปแล้วก็ไม่เลยไปจากนี้นี่ถือว่าเป็นทุกขสมมูทัยต่ยประสูตรเรียกวันนี้คือทุกขสมมูทยัยการปล่อยให้ปฏิจจาระบาทเกิดไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นทุกขสมมูทยัยแต่ว่าเมื่อชารามรณะชาติและอื่นๆ ถ้าดับไปโดยลําดับตั้งแต่ฌรามรณะดับชาติดับแล้วองค์อื่นๆเนี่ยถึงวิญญาณดับก็คืออนามรูปดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับเพราะเขาเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วก็ตรัสอีกเที่ยวหนึ่งว่านามรูปดับวิญญาณดับองค์อื่นดับฌรามรณะดับนี่เป็นทุกข์ก็นิโรธ แ้วก็เปรียบเทียบปลายหลังว่าเหมือนการค้นพบนากรเก่าทางเก่าคือมรคแปดต่อไปสูตรหกสิบหกนะสัมมา ส, สูตรการพิจารณาปัจจัยภายในตนก็ตรงนี้นะพูดอย่างภาษาง่ายๆคือการพิจารณานามรูปของตนเองเป็นหลักนะการทำวิปัสนาเนี่ยต้องพิจารณานามรูปของตัวเองเป็นหลักของคนอื่นเป็ น, เ ป, นเป็นรองหรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องไปถึง เท่านั้นการพิจารณาภายใน <Yeah. S 1> คือทุกขชาติชาลามนะแล้วก็แสดงปฏิจจะแบบหน้าตาแปลกชาลามนะอุปธิตัญหาอยายตนะภายในหก <Yeah. S 1> โดยแสดงโดยในอริยสัจสีว่าในฐานะเป็นทุกในฐานะเป็นสมุทยัยนิโรธมักเรียอว่าปฏิบัติเพื่อความท้นทุกข์ถ้าพิจารณาพิจารณาสายเกิด คือเมื่อสายเกิดมันมีอยู่แล้วถ้าเราพิจารณาก็ชื่อว่าทำความรู้ในสายเกิดนั้นให้เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ด้วยแล้วก็ในอดีตถ้าพิจารณานามรูปที่เป็นภายในอย่างเป็นนิจจะเป็นของที่ยังสุกาเป็นสุขอัตตาเป็นตนโรคะความไม่มีโลกเขมะความเกษมเนี่ยถ้ามองชีวิตอย่าง วิปรัลสธรรมอย่างนี้ตัณหาเกิดอุปาธิเกิดทุกชาสลามมนะเกิดดุดดืม่มน้ำหวานเจือยาพิษถ้าพิจารณาให้ถูกไม่ว่าจะเป็นในอดีตนาคตพิจารณาโดยถูกต้องก็ต้องพิจารณาตรงกันข้ามกันก็จะพ้นจากตัณหาพ้นจากอุปาธิและพ้นจากทุกชาสรามานาะวันนี้คงจะ จบกันไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับคราวหน้าท่านคงจะต้องถือเอกสารนี้มาอีกสังทีในตอนท้ายนี้นะครับก่อนที่จะลุกไปขอเชิญท่านทั้งหลายสงบจิตของท่านสักครู่หนึ่งและได้กรุณาแผ่เมตตาจิตของท่านอุทิศบุญของท่านที่ได้ทํามาแล้วโดยส่วน ของตัวท่านเองและได้ทำร่วมกันและในคราวนี้เราจะขออุทิศบุญร่วมกับทุกๆคนที่อยู่ที่นี่